พระตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส1บเอ็ดพระสูตรที่เกาอาตานาติยะสูตรสูตรว่าด้วยการรักษาในอาตานาตานครพระผู้มีพระภาคประทับนเขาคิจกูตรใกล้กรุงราชครืในราตรีหนึ่งเท้ามหาราชทั้งสี่พร้อมด้วยเสยนารักษ์คนทันหรือลุกขเทวดากุมพันและนาค มาเป้าพระผู้มีพระภาคเจ้าสำหรับเท้ามหาราชทั้งสี่คือเท้าทตรถมีคนทันเป็นบริวารกรองทิศบุรพาท้าวิรุณหกมีกุมภพันเป็นบริวารกรองทิศทักษิณเท้าวิรูปักมีนาคเป็นบริวารกรองทิศประจิมเท้ากุเวระหรือเวสวันมียักษ์เป็นบริวารกรองทิศอุดร เมื่อท้ามาหาราชทั้งสี่ถวายบังคมแล้วท้าเวสว ร, รัน์กราบทูลว่ามียักษ์ชั้นผู้ใหญ่ชั้นกลางชั้นต่ำที่เลื่อมใสพระผู้มีพระภาคก็มีไม่เลื่อมใสก็มีแต่ที่เลื่อมใสมีมากเพราะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเพื่อเว้นจากฆ่าสัตว์หลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดดื่มสุราเมรยัยพวกยักษ์เหล่านั้นไม่เว้นจากสิ่งเหล่านี้โดยมาก จึงไม่ชอบมีสาวกของพระผู้มีพระภาคเสพเศนาสนะอันสงัดในป่าซึ่งพวกยักษชั้นผู้ใหญ่ที่ไม่เลื่อมใสในพระธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคอาศัยอยู่เพื่อคุ้มครองรักษาเพื่อไม่เบียดเบียนเพื่ออยู่เป็นสุขแห่งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาขอพระผู้มีพระภาคจงทรงเรียนการรักษาชื่ออาตานาติยา เพื่อทำยักษ์เหล่านั้นให้เลื่อมใสพระผู้มีพระภาคทรงรับโดยโดุสดีภาพท้าวเวสสวรรณจึงกล่าวถึงการรักษาชื่ออาตานาติยาสำหรับคำว่ารักษาตรงนี้ในหนังสื อ, อยังหมายเหตุว่ารักขาซึ่งไม่แน่ใจว่าประโยคแรกพิมพ์มาผิดหรือว่าใช้ได้ทั้งสองคำนะครับแต่ท่านหมายเหตุไว้ว่า คำว่ารักขามีลักษณะเดียวกับบริศคือคำสวดสำหรับคุ้มครองป้องกันภัยใจความแห่งรักขานั้นเป็นถ้อยคำานมรส ก, การพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์มีพระวิปัสสีเป็นต้นพระโคตมะพุทธเจ้าเป็นองค์ที่สุดพร้อมทั้งพันนาถึงคุณลักษณะของพระองค์มีการกล่าวพันนาถึงเท้ามหาราชทั้งสี่องค์ประจำทิศ ต, ต่างๆพร้อมด้วยบุตร ซึ่งเคารพนมัส ก, การพระพุทธเจ้าเมื่อภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเรียนรักขานี้ท่องบ่นดีแล้วมนุษย์ใดๆจะเป็นยักษ์คนทันคุมพันนาคตลอดจนพวกพ้องถ้ามีจิตประทุษร้ายเข้าไปใกล้ผู้เรียนรักขานี้จะเข้าพวกไม่ได้จะชื่อว่าประพติผิดเหมือนโจรจะถูกลงโทษ พวกยักษ์มหายักษ์เสนาบดีมหาเสนาบดีจะคอยชี้ความผิดของมนุษย์เหล่านั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังและทรงอนุญาตให้เรียนรักขานี้ได้หมายเหตุจากหนังสือพระสูตรนี้เมื่อพิจารณาอย่างกว้างๆย่อมแสดงถึงความเข้มแข็งของพระพุทธศาสนา เป็นการเสนอหลักการให้ถอนความกลัวต่อผูดผีปีศาจซึ่งคนสมัยนั้นเชื่อกันอยู่ทั่วไปเพราะเมื่อนายของพวกยักษ์คนทันกุมพันและนาคเองยังมาอ่อนน้อมกราบไหว้คุณความดีของพระพุทธเจ้าพวกบริวารก็เกะกะไม่ถนัดนักเป็นการนำความดีชั้นสูงมาช่วยให้ผู้หวาดกลัวมีความอุ่นใจในคุณความดีที่เหนือกว่า เท่ากับเอาชนะความชั่วด้วยความดีหมายเหตุผู้อ่านขอเสริมสักนิดนะครับอยากให้สังเกตว่าพระบาริหรือบทสวดทุกบทที่จะได้ผลจริงดังที่พันนาไว้นะครับควรจะแปลให้ได้หรือสวดแบบแปลด้วยเพราะจุดสําคัญคือการพิจารณาบทสวดและน้อมเข้ามาในใจพิจารณาตามเนื้อหานั้นๆจนเกิดความเข้าใจ หลายคนที่สืบต่อกันมาใช้บทสวดท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองท่องด้วยความไม่เข้าใจและต่างพาคิดว่าจะได้อานิสงส์ตามบทนั้นๆซึ่งความจริงควรจะแปลให้ออกและเข้าใจเนื้อหาในบทสวดนั้นด้วยนะครับ